มลิกาเทวีสูตรว่าด้วยพระนางมลิกาเทวีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทะปิทิกาเศรษฐีเคกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลพระนางมลิกาเทวีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควร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 แต่เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากสูงศักอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงาม น, น่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดพองยิ่งนักแต่เป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์ขัดสนโพคะต่ำศักอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใส มีผิวพันณ์ผุดผ่องยิ่งนักและเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากสูงสักพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามันลิกามาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระ ฟ, รฟีดกระด้างกระเดืองแสดงอาการโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจ เธอไม่ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพราหมณ์และมีใจริศยาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นกีดกันตัดรอนผูความริศยา ถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งามรูปชั่วไม่น่าดูและเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์ขัดสนโภคะต่ำสักมาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระฟรีดกระด้างกระเดือง แสดงอาการโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจแต่เธอให้ทานคือข้าวน้ําผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลาที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพราหมณ์และไม่มีใจริษยาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นไม่กีดกันไม่ตัดรอน ไม่ผูกความริษยาถ้าเธอจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งามรูปชั่วไม่น่าดูแต่เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากสูงสักมาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม่มากก็ไม่ขัดเคืองใจไม่ฉุนเฉียว เมื่อกระฟัดกระฟีดเมื่อกระด้างกระเดืองไม่แสดงอาการโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจแต่เธอไม่ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล์ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพราหมณ์และมีใจริศยาในลาบสกระความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่น กีดกันตัดรอนผูความริษยาถ้าเธอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักแต่เป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์ขัดสนโภคะต่ำสักมาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่โกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจ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 ความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นไม่กีดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกความริษยาถ้าเธอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักและเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพค้ามากสูงสักดันลิกา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 นี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าลื่อมใสมีผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งนักแต่เป็นคนยากจนขสนทรัพย์ขสนโพคะต่ำศักนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าลื่อมใสมีผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งนักและเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากสูงศัก เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระนางมลิกาเทวีได้ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติอื่นเชรอยมอมฉันจะเป็นคนโกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่ากล่าวเล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระฟีดกระด่างกระเดิงแสดงอาการโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจในชาตินี้ มมอมฉันจึงมีผิวพรรณไม่งามรูปชั่วไม่น่าดูแต่ในชาติอื่นมมอมฉันคงได้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพรามในชาตินี้มมอมฉันจึงเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก ในชาติอื่นมอมฉันคงจะไม่มีใจริษยาในลาบสักระความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นไม่กีดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกความริษยาในชาตินี้มอมฉันจึงเป็นผู้สูงศักดิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นางกษัตริย์บ้างนางพรหมณีบ้างนางขหาตานีบ้างมีอยู่ในราชสกุลนี้ หมอมฉันได้ดำรงความเป็นใหญ่เหนือหญิงเหล่านั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหมอมฉันจัะไม่โกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถึงจะถูกว่ากล่าวมากก็จะไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่คระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงอาการโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจและจกให้ทานคือข้าวน้ําผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์จกไม่มีใจริษยาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นจกไม่ขีดกันไม่ตัดรอนไม่ริษยาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำมอมฉันว่า เป็นอุบาสิกาพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมนล ก, กาเทวีสูตรที่7จบ 8. อัตตันตปะสูตรว่าด้วย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 ไม่รับภิกษาที่เขาเจาะจงทําไว้ไม่ยินดีกีดนิมนต์ไม่รับภิกษาปากหม้อไม่รับภิกษาจากกระเช้าไม่รับภิกษาคล่อมธรณีประตูไม่รับภิกษาคล่อมท่อนไม้ไม่รับภิกษาคล่อมศากไม่รับภิกษาที่คนสองคนบริโภคอยู่ไม่รับภิกษาของหญิงมีคันไม่รับภิกษาของหญิงที่กาลังให้ลูกดูดนม ไม่รับภิษาของหญิงที่คลอเคลียคนไม่รับภิษาที่นัดแน่กันทำไว้ไม่รับภิษาในที่ที่รับเลี้ยงดูลูกสุนัขไม่รับภิษาในที่ที่แมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มน้ำหมักดองเขารับภิษาเฉพาะที่เรือนหลังเดียวเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคเดียว รับภิกษาที่เรือนสองหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวสองคาละถึงหรือรับพิกษาที่เรือนเจดหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวเจ็ําเยียวยาอัตภาพด้วยพิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้างเยียวยาอัตภาพด้วยพิกษาในถาดน้อยสองใบบ้างละถึงเยียวยาอัตภาพด้วยพิกษาในถาดน้อยเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้วันเดียวบ้าง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 หรือว่าเป็นพราม์นมหาศาลเขาให้สร้างสันทาคารใหม่ทางทิ่ตะวันออกแห่งพระนครแล้วโกนผมและหนวดนุ่งหนังสัตว์มีเล็บฉลมกายด้วยเนยและน้ำมันเกาหลังด้วยเขามามรึกเข้าไปสู่สันทาคารใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพรามผู้เป็นปุโรหิตเขาสำเร็จการนอนบนพื้นอันปราศจากการปูลาดไว้ด้วยมูลโคสด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 พระราชานั้นตรัสอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงฆ่าโคเท่านี้จงฆ่าลูกโคผู้เท่านี้จงฆ่าลูกโคเมียเท่านี้จงฆ่าแพะเท่านี้จงฆ่าแกะเท่านี้เพื่อบูชายันจงฆ่าม้าเท่านี้เพื่อบูชายันจงตัดต้นไม้เท่านี้เพื่อทําเสาจงเกี่ยวญยกคาเท่านี้เพื่อบังและลาดแม้เหล่าชนทั้งที่เป็นทาตเป็นคนรับใช้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 เขาได้ละกองโพกัะทรพน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่แล้วปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีกขาและสาชีพเสมอกับภิกษุทั้งหลายละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุฒและสัต ร, ตราวุฒมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่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 พูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรความสมคีเป็นผู้ละเว้นข่าจากคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเป็นผู้ละเว้นข่าจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคาที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิง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 เว้นข่าจากการรับช้างโคมา้าและลาเว้นข่าจากการรับเลือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นข่าจากการรับหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นข่าจากการซื้อขายเว้นข่าจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นข่าจากการรับสินบนการล่อลวงและการตกบตะแลงเว้นข่าจากการตัดอวัยวะ การฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินบาบพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆดก็ไปได้ทันทีเหมือนนกปินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระเธอประกอบด้วยอริยะสีละันอย่างนี้แล้วย่อมสวยสุขอันไม่มีโทษในภายใน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 รู้แจ้งธรรมรมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงําได้จึงรักษามนินทรียีถึงความสํารวมในมนินทรีย์เธอผู้ประกอบด้วยอริยะอินทรีย์สังวรอย่างนี้จึงชื่อว่าสวยสุขอันไม่ระคัด้วยกิเลสในภายใน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 ประกอบด้วยอริยะสีลขันอริยะอินซียสังวรและอริยะสติสัมปัญญะพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาโซกเขาถ้ำป่าช้าที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วก็นั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า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 กำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชํ่ระจิตให้บริสุทธิ์จากถีเนมิทะและอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชํระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกุจจะและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาเธอครั้นละนิวรณ์เหล่านี้ที่เป็นเครื่องเศร้ามองใจเป็นเครื่องทอนกําลังปัญญาแล้วสงัดจากกามละถึงบรรลุเจตุทชาญอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอ ย, อย่างนี้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 ภาวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วยูโจบโพรมจาจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน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 ว่าด้วยตันหาภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงตันหาเช่นดังคายท่องเที่ยวไปแผ่ไปสร้างไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อโลกนี้ซึ่งยุ่งเหมือนกลุ่มได้อันยุ่งเยิงคลอดเป็นปมเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ให้ล่วงพ้นอบายทุกติวินิบาตและสังสารวัตไปได้ เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาเช่นดังคายท่องเที่ยวไปแผ่ไปซ่านไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อโลกนี้ซึ่งยุ่งเหมือนกลุ่มได้อันยุ่งเยิงขอดเป็นปมเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้อง ไม่ให้ล่วงพ้นอบายทุกติวินิบาตและสังสารวัตไปได้นั้นเป็นอย่างไรคือตันหาวิจริส18ประการนี้อาศัยขันธปัญจกะภายในตันหาวิจริส18ประการนี้อาศัยขันธปัญจกะภายนอกตันหาวิจิริสิบประการอาศัยขันธปัญจกะภายในอะไรบ้างคือ 1. เมื่อมีตันหาว่าเราเป็น 2. ตันหาว่าเราเป็นอย่างนี้จึงมี 3. ตันหาว่าเราเป็นอย่างนั้นจึงมี 4. ตันหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นจึงมี 5. ตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงจึงมี 6. ตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เ <ours> ที่ยงจึงมี 7. ตันหาว่าเราพึงเป็นจึงมี 8. ปตันหาว่า เราพึงเป็นอย่างนี้จึงมี 9. ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นจึงมี 10. ตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นจึงมี11ตันหาว่าเราพึงเป็นบ้างจึงมี 12. ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างจึงมี 13. ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างจึงมี 14บตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างจึงมี15บตันหาว่าเราจะเป็นจึงมี 16. บตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนี้จึงมี17บตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นจึงมี 18. ปตันหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นจึงมีนี้คือตันหาวิจริษ18ประการ อาศัยคันธะปรญจกะภายในตันหาวิจริษ18ประการอาศัยคันธะบรรจกะภายนอกอะไรบ้างคือ 1. เมื่อมีตันหาว่าเราเป็นด้วยคันธะปัญจกะนี้ 2. อตันหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยคันธะบัญจกะนี้จึงมี 3. ตันหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยคันธะบัรจกะนี้จึงมี 4. ตันหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธะปัญจกะนี้จงึงมี 5. ้ตันหาว่าเราเป็นผู้ที่ยงด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงมี 6. กตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่ที่ยงด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงมี 7. ตันหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงมี8ปตันหาว่า เราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงมี 9. ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงมี 10. ตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงมี 11. ตันหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธะปัญจกะนี้บ้างจึงมี 12. ตันหาว่า เราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธะปัญจกะนี้บ้างจึงมี 13. าตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธะปัญจกานี้บ้างจึงมี 14. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธะปัญจกะนี้บ้างจึงมี15บตัณหาว่าเราจักเป็นด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงมี16ตัณหาว่า เราจะเป็นอย่างนี้ด้วยขันธะปัญจากะนี้จึงมี17ตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงมี18ตันหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงมีนี่คือตันหาวิจริตสิบประการอาศาัยขันธะปัญจกะภายนอตตันหาวิจริษ18ประการอาศัยขันธะปัญจกะภายใน ตัณหาวิจริส18ประการอาศัยขันทะปัญจกะภายนอกด้วยประกาศนิรวมเรียกว่าตัณหาวิจริสสาประการตัณหาวิจิริสเห็นปานนี้ที่เป็นอดีต36ประการอนาคต36ประการปัจจุบัน36ประการรวมเป็นตัณหาวิจริตร้8ด้วยประการศนิภิกษุทั้งหลายตัณหานี้นั้นแล เช่นดังคายท่องเที่ยวไปแผ่ไปซ่านไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อโลกนี้ซึ่งยุ่งเหมือนกลุ่มได้อันยุ่งเยิงคอดเป็นปมเหมือนหญ้ามงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ให้ล่วงพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัตไปได้ตัณหาสูตรที่เก้าจบ